ตอนที่29คุณแม่เล็กสร้างผลงานใหญ่ประตูเหล็กสีเขียวของลานบ้านเปิดออกซุ่นจิวหลิงพาหญิงไวกลางคนคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูนี่คือพี่สะพยจางเพื่อนบ้านเราเองนางอยากทําธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องทําใบอนุญาตประกอบกิจการส่วนบุคคลอย่างไรเลยอยากมาขอให้คุณแม่เล็กช่วยหน่อยเจ้าคะ่ะพี่สะพยจางเห็นซูมานอินญิงสาวขนาดนี้ก็อดสงสัยไม่ได้แม่สามีที่อายุน้อยขนาดนี้แถมยังเป็นแม่หม้ายจะพึ่งพาได้จริงหรือซูมานอินสังเกตเห็นความระแวงของอีกฝ่าย ควจริงนางค่อนข้างอึดอัดกับความมีน้ำใจที่ซื้อตรงเกินไปของซุนจิ๋วหลิงแต่เห็นแกหน้าจึงยังคงประดับรอยยิ้มเชิญอีกฝ่ายเข้าบ้านไม่ทราบว่าเสี่ยวจางเตรียมจะทำธุรกิจอะไรหรือทุกครั้งที่เห็นเพื่อนรักเรียกคนรุ่นเดียวกันแบบนั้นฉินเสี่ยวแยาวก็อยากจะหัวเราะ อ, ออกมานางดึงตัวซุนจิ๋วหลิงไว้ที่สะพายรองซื้อเนื้อกลับมาแล้วพอดีเลยที่ท่านมารีบมาช่วยค่าทำพะโล่เร็วซุนจิ๋วหลิงประหลาดใจพวกเจ้าไปที่หมู่บ้านแล้วซื้อเนื้อกลับมาได้จริงๆหรือ อึมถือโอกาสทําอะไรกินด้วยเลยค่ากับคุณแม่เล็กยังท้องว่างอยู่เลยเจ้าคะ่ะได้ไปกันเถอะพวกเราไปที่ห้องครัวหลังจากพี่สะพยจางเข้าบ้านมาเห็นข้างในจัดระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาความประทับใจที่มีต่อสูมานอินก็ดีขึ้นมากคือว่าทัานเรียกข้า ว, ว่าสหายสู ก, ก็ได้ซูมานอินรู้สึกว่าคําว่าสหายนี่ดีจริงๆคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันฟังแล้วดูใกล้ชิดและมีความยุติธรรมทําไมอีกสี่สิปีให้หลังความหมายมันถึงเปลี่ยนไปนะ สหายซูค้าอยากขายเต้าหู้ที่สภัยจางนั่งลงบนขอบเตียงขังเริ่มเล่าเรื่องราวในครอบครัวที่แท้พี่สภัยจังชื่อจางช่วยหวาบ้านเดิมของนางเป็นคนท้องถิ่นเมื่อก่อนที่บ้านทำโรงทำเต้าหู้ต่อมาพ่อแม่เสียชีวิตนางต้องดูแลลูกจึงไม่ได้ทําต่อตอนนี้ลูกๆเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วไม่ได้ยุ่งเหมือนตอนเด็กๆข้าเลยคิดว่าอยากจะรื้อฟื้นฝีมือนี้ขึ้นมาเปิดโรงทำเต้าหู้อีกครั้งยอมได้แน่นอนอยู่แล้ว ซูมานอินคิดไม่ถึงว่าจางชุวยหวาผู้หญิงคนนี้จะมีความคิดกล้าไกลขนาดนี้แล้วคนรักของท่านสนับสนุนให้ท่านตั้งแผงลอยไหมเขาจางชุยหวาเ อ, อ๋ยเรียบเรียบเขาตบตีค่าค่าเลยใหญ่กับเขาแล้วซูมานอินตกใจอีกครั้งนางไม่คิดว่าจางชุยฮวาจะมีความกล้าหาญขนาดนี้มีน่าถึงเลือกทาเต้าหู้ซึ่งเป็นงานที่ลําบากมากตกลงเรื่องใบอนุญาตเดี๋ยวข้าจะช่วยถามให้น่าจะไม่ยากขอบคุณท่านมากนะสหายซู จางชุยฮวาไม่คิดว่าซูมานอินจะรับปัดอย่างรวดเร็วเช่นนี้ในสมองของซูมานอินพันเกิดความคิดว่าขึ้นมาจริงได้เสียจางท่านทําน้ําเต้าหู้มาลองก่อนได้ไหมเที่ยงวันถัดมาแผงลอยของซูมานอินก็ตั้งขึ้นอีกครั้งแต่ต่างจากเมื่อก่อนข้างๆแผงโรเจียห ม, มวมีแผงขายน้ำเต้าหู้เพิ่มมาอีกหนึ่งแผงจางชุยฮวามองน้ําเต้าหู้สีเหลืองนวลเต็มหม้อพลางลังเลเล็กน้อยสหายูกระบวยละหนึ่งเมาสจะมีคนซื้อจริงๆหรือ ไม่รอให้ซูมานอินตอบซุนจิ๋วหลิงที่อยู่ข้างๆก็รีพูดแทรกอย่างกระตือรือร้นวางใจเถอะพี่สะพายจางเชื่อคุณแม่เลยของข้าไม่มีผิดหรอกพูดจบนางก็หยิบคันทัศกรมาสองเม็ดใส่ลงไปในน้ําเต้าหูร้ร้อนๆทันทีที่เสียงระฆังเลิกงานของโรงงานทอผ้าดังขึ้นกลุ่มคนในชุดทํางานสีน้ําเงินก็กรูกันออกมาอย่างมืดฟ้าโมดินว่าสหายซูรักษาคําพูดจริงๆหาเนื้อมาได้จริงๆด้วยข้าได้กลิ่นหอมของเนื้อตั้งแต่อยู่ในห้องทํางานแล้วเริ่มข้ออวโรเจียมหมัวให้ข้าสองชิ้น ได้เลยทุกคนไม่ต้องเบียดกันนะ ว, วันนี้เนื้อมีพอแน่นอนซูมานอินทักทายอย่างกระตือรือร้อนไม่เพียงแต่มีเนื้อวันนี้ยังมีน้ำเต้าหู้สดๆหวานๆร้อนๆด้วยกระบวนการหนึ่งเหมากินคู่กับโรเจียหมูเข้ากันที่สุดเหล่าพนักงานเห็นน้ำเต้าหู้ตอนแรกยังลังเลอยู่บ้างแต่พอได้ยินซูมานอินตะโกนแบบนั้นก็อยากดื่มขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะประโยคที่ว่าเข้ากันที่สุดมันเข้ากันยังไงนะพวกเขาอยากลองดูจริงๆไอหย่าข้าไม่ไดเอา้วยน้ําชามาด้วยสิ ฮาฮาข้าเอามาพี่สะพายท่านนี้ตักน้ำเต้าหู้ให้ข้ากระบวนหนึ่งจางชุยฮวาตะลึงนางไม่อยากจะเชื่อว่าน้ำเต้าหู้นี้จะมีคนซื้อจริงๆกระบวยนี้นางตักให้จนเต็มๆจนถ้วยน้ำชาแทบจะลน้นพี่สะพายกระบวยของท่านใหญ่จริงๆให้เยอะมากชายหนุ่มคนนั้นกัดโรเจียหมูไปคําหนึ่งแล้วดื่มน้ำเต้าหู้ตามไปอีกคำใบหน้าแสดงความรู้สึกฟินสุดๆสบายจริงๆโรจียหมูกับน้ำเต้าหู้หวานหวานนี่เข้ากันจริงๆด้วย ซูมานอิงจำชายหนุ่มคนนั้นได้เขาคือหลี่ชางลูกสิบตัวน้อยของโจวเว่หมิ่นมีนา้าถึงได้ช่วยตะโกนเรียกลูกค้ายอย่างแข็งขันขนาดนี้คนอื่นๆได้ยินดังนั้นต่างก็พากันซื้อน้ำเต้าหู้คนที่ไม่ได้เอาถ้วยน้ำชามาถึงกับยอมวิ่งกลับไปที่โรงอาหารเพื่อเอาถ้วยน้ำชามาใส่น้ำเต้าหู้ยางเหวินเจวินเดินเข้าไปในโรงอาหารเพื่อกินข้าวผลปรากฏว่าพบว่าคนในโรงอาหารหายไปมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อวานตอนตักอาหารเขาเอ่ยถามเหลาจูพ่อครัวไปคําหนึ่ง ทำไมวันนี้คนถึงน้อยลงกระทันหันแบบนี้ละ่ะยังต้องถามอีกเหรอครับก็แห่กันไปซื้อโรเจียห ม, มวที่หน้าประตูนะสิแล้วจูพ่อครัวบ่นอุบผู้อํานวยการหยางหรือไม่ก็ให้คนบ้านเหล่าโจย้ายไปขายที่อื่นเถอะครับขืนเป็นแบบนี้ต่อไปใครจะยังมากินข้าวที่โรงอาหารอีกหยางเห ว, วินจะวินใช้ตะเกียบชี้ไปที่เขาทําไมรู้สึกกดดันแล้วเหรอ น, นายก็ต้องตั้งใจพัฒนาฝีมือทําอาหารให้ดีนะแล้วจูสายหน้า นั่นมันเนื้อนะครับส่วนนี้มีแต่มันฝรั่งผัดผักกัดขาวต่อให้ผมทําออกมาสวยหรูแค่ไหนก็สู้เขาไม่ได้หรอกคนตั้งเยอะขนาดนี้หล่อนจะมีเนื้อสักเท่าไหร่กันเชียวด้วยความสงสัยอย่างเวนจ์วินจึงเดินมาที่หน้าประตูโรงงานเมื่อเห็นแถวที่เข้าคิวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจผู้อํานวยการอย่างท่านก็มาทานโรลเจียหมูเหมือนกันเหรอคะฉินเสียเยเวทักทายอย่างกระตือรือร้นแต่ผู้อํานวยการอย่างค้าท่านก็ต้องเข้าแถวเหมือนกันนะ ห้าห้าครั้งนี้ผมมาดูงานนะ่ะพวกคุณไปหาเนื้อมาจากไหนกันหยางเวินเจวินลดเสียงต่ําลงคงไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดมืดหรอกนะเปล่าเขาพวกเราเคารพกฎหมายไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกชินเสี่ยวเยาตอบด้วยสีหน้าจริงจังเนื้อพวกนี้ซื้อมาจากในหมู่บ้านถ้าคงพอขายได้แค่สองวันเท่านั้นที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองพวกคุณนี่หัวไว้กันจริงๆริงหยางเวินเจวินไม่คาดคิดว่าผู้หญิงสองคนจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปซื้อเนื้อจากในหมู่บ้านได้ เขาเดินมาที่แผงลอยเห็นว่าข้างๆมีหม้อน้ำเต้าหู้ใบใหญ่เพิ่มมาอีกใบก็เกิดความสงสัยขึ้นใหม่อีกครั้งสหายฮซูนี่คุณขยายกิจการอีกแล้วเหรอซูมานอินเห็นว่าเป็นอย่างเหวนเจวินจึงส่งมีดทาครัวให้ซุนจิ๋วหลิงแล้วเช็ดมือเดินเข้ามาคุยกับหยางเหวนเจวินโรเจียหมูมันแห้งเกินไปค่ะถ้ามีน้ำเต้าหู้มาแกล้มด้วยทุกคนจะได้ทานคล่องคอและมีความสุขซูมานอินอธิบายพร้อมรอยยิ้มยังไงเสียทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วม ง, งานของเหล่าโจฉันต้องคิดเผื่อพวกเขาบ้างคะ่ะ อย่างเหวินเจวินมองดูกล่องกระดาษที่เต็มไปด้วยเงินเขาสายหน้าพลางหัวเราะสหายซูหัวการค้าของคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆฉันก็แค่หาเงินค่ากับข้าวเท่านั้นค่าโรงงานทอผ้าของพวกท่านต่างหากที่เป็นความต้องการสูงสุดของชาวบ้านซูม่านอินเอ๋อชมด้วยรอยยิ้มปัจจัยสี่เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเสื้อผ้ามาเป็นอันดับหนึ่งถ้าไม่มีพวกท่านโรงงานทอผ้าแห่งนี้ก็คงเปิดไม่ได้พวกเราก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะฉะนั้นพวกท่านสําคัญมากนะคะ คำพูดเพียงประโยคเดียวทำเอาเหล่าพนักงานโรงงานทอผ้าที่ยืนเข้าแถวรออาหารอยู่ต่างพากันรู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาทันทีนี่แค่เรื่องใหญ่ๆนะคะท่านดูปลอกแขนที่พวกเราใส่หรือผ้ากันเปื้อนบนตัวนี่สิไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาโรงงานทอผ้าของพวกเราหรอกเหรออย่างเหวนจะวินหัวเราไปมาทันใดนั้นดวงตาก็เป็นประกายสหายสู่ผ้ากันเปื้อนกับปลอกแขนพวกนี้คุณเป็นคนทําเองเหรอฉันไม่มีฝีมือขนาดนั้นหรอกค้าจิ๋วหลิงเป็นคนทําโดยใช้เศษผ้าที่มีอยู่ในบ้านนะคะ สหายซูคุณมอบแนวคิดใหม่ให้ผมแล้วในสมองของอยางเหวนจ์วินผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาเป็นไอเดียดีๆที่จะเปลี่ยนเศษผ้าไร้ค่าในโกดังให้กลายเป็นสมบัติเขาจับมือซูมานอินด้วยความตื่นเต้นถ้าเรื่องนี้สำเร็จนะสหายซูมานอินคุณจะถือว่ามีความดีความชอบครั้งใหญ่เลยละ่ะยางเหวนจ์วินรีบวิ่งกลับเข้าไปในโรงงานท่ามกลางสายตาที่งุนงงของเหล่าพนักงานมีเพียงซูมานอินเท่านั้นที่ยิ้มออกมาบางๆสมกับที่เป็นผู้นำจริงๆมีสมองดีแท้ๆ